อธิบายต่อไปคําว่าไม่ประมาทในบทว่าอัปปมาโทนะครับคําว่าไม่ประมาทนี้ก็พึงทราบโดยนัยตรงกันข้ามกับความประมาทเขาบอกว่าถ้าจะรู้จักค่าวนี้เป็นยังไงก็ให้รู้จักดําก่อนนะครับถ้าจะรู้แสงสว่างเป็นยังไงก็เอามืดมาอธิบายก่อนนะถ้าจะรู้ว่าบุญคืออะไรก็เอาบาปมาอธิบายก่อ น, นนี้เป็นต้นนะครับอันท่านก็เลยถามว่าเอาแล้วที่ชื่อว่าความประมาทนี่ยคืออะไรตอบว่าคืออาการที่เลืน่นเล่อ น, นะครับ สำนวนว่าเพลเรนนะเพลเรหรืล่น่นนะสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าในความประมาทและความไม่ประมาทนั้นคําว่าประมาทนัน้นเป็นไงลักษณะของความประมาทก็คือการปล่อยจิตไปในการมคุณ5ด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็ดีนะคือมีรูปสวยๆเป็นอารมณ์แล้วก็ทําชั่วทางกายชั่วทางวาจาและชั่วทางใจอันนี้ก็ประมาท ฟังเสียงแล้วก็ทําชั่วด้วยกายชั่วด้วยวาจาชั่วด้วยใจอย่างนี้ก็ชื่อว่าประมาทนะครับหรือว่ากลิ่นรสและโพธะทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าทําชั่วในอารมณ์นั้นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่างนี้ก็ชื่อว่าลักษณะของความประมาทหรือการเพิ่มพูนจิตให้เพลิดเพลินในอารมณ์นะปล่อยใจไปด้วยอานาจโลภะเนี่ยนะเคลิบเคลิมเหมือ น, นเถอะการไม่ทาความเคารพในการบาเพ็ญกุศลธรรม กุศลธรรมก็ทําแบบทิ้งๆข้างๆอะนะคำนวนว่าถ้าอา่านพระไตรปิฎกก็สักแต่ว่าอ่านๆไปงั้นนะครับคือไม่ได้ส่งจิตตามเนื้อหาอย่างตลอดซ้ายไม่แพ่งไม่ไข้ควรเนี่ยนะถ้าฟังธรรมก็สักแต่ว่านั่งอยู่ตรงนั้นเฉยๆนะครับติดตามเนื้อหาไม่ได้อะไรสักอย่างละลักษณะ น, นี้นะครับหรือว่าการทําความเพียรไม่ติดต่อจเจริญกุศลจิตก็ไม่ปฏิบต์ประตออะไรเลยนะครับ กุศลนะจิตเกิดหน่อยก็อุทะจะเกิดการ ม, มาวิตกเกิดพยาบาทวิตกเกิดสลับมากๆลักษณะนี้แหละครับเรียกว่าความเพียนไม่ติดต่อหรือว่าการทําอันไม่ยั่งยืนความประพฤติย่อหย่อนการหมดฉันทะการทอดทุระการไม่คบหาการไม่อบรมการไม่ทําให้มากในในการบําเพ็ญกุศลธรรมนะครับแม้กระทั่งความประมาทในกุศลธรรมความเลินเล่อความเผลอเผลอเห็นป่านี้เรียกว่าประมาทโอความประมาท เพราะฉะนั้นเพื่อทราบความไม่ประมาทโดยนิยตตรงกันข้ามกับความประมาทดังที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโดยนิยตตรงกันข้ามนะครับคือถ้าไม่ประมาทนะต้องไม่ปล่อยจิตไปในการมาคุลทั้ง5ด้วยกายทูตุจิริตรวจีทุจริตและมโนทูุจริริหมายคาะว่าตามองเห็นใจไม่เป็นบาปวาจาไม่เป็นบาปกายไม่เป็นบาปนะครับหูได้ยินเสียงเป็นต้นก็ไม่ทําบาปในเมื่อรับอารมณ์ทั้งทั้งห้านะครับไม่ว่าบาปทางกายทางวาจาและ ทางใจนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยจิตให้เพลิดเพลินไปกับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินนะครับเวลาเจริญกุศลก็ทําด้วยความเคารพแล้วก็ความเพียรในการเจริญกุศลที่ต่อเนื่องนะครับไม่ย่อย่อนแล้วก็มีฉันทะหมายว่าปลูกใจรักในการเจริญกุศล ม, มากขึ้นมากขึ้นเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะที่กล่าวมาเนี่ยเรียกว่าความไม่ประมาท อันแท้จริงความไม่ประมาทนั้นโดยอาัธาหรือความหมายได้แก่การไม่อยู่ปราศจากสตินะครับคือไม่ทิ้งสติสัมปชัญญะอะไรเลยนะครับมีสติอยู่ตลอดคำว่าไม่ประมาทนี้เป็นชื่อของสติที่เข้าไปตั้งไว้เป็นนิดนั่นเองนะครับอย่าลืมว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยนะครับที่เข้าไปตั้งไว้เนี่ยนะสติสัมปชัญญะก็มีอาหารนะครับต้องไม่ลืมอันนี้นะไม่เนีย ว, ว่าเออ นี่นั่งรู้ตัวอย่างเงี้ยขยับตัวสัหน่อยให้รู้ตัวแล้วจะได้ชื่อว่ามีสติอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะอย่าลืมว่าสติก็สตินี่คู่กับสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะก็มีโยนิโสมนัิการเป็นเหตุใกล้โยนิโสมนัิการก็มีมีศรัทธาที่บริบูรณ์เป็นเหตุใกล้ศรัทธาก็เนื่องจากการฟังมาอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะตั้งสติไว้ได้นี่นะครับคนนั้นจะต้อง รอบรู้ในการเจริญกุศลในสิ่งนั้นๆอยู่แล้วนะครับเช่นเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ก็ปรารบจิตเป็นไปในทา น, นกุศลเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นก็ปรารบเป็นไปในศีลกุศลหรือภาวนากุศลแล้วก็ตั้งจิตให้กุศลเหล่านั้นเนี่ยนะครับเกิดแล้วก็รักษากุศ ล, ลเจตนาเหล่านั้นต่อไปได้ลักษณะนั้นนะครับเรียกว่าไม่ประมาหรือว่ามีสติเพราะฉในั้นคําว่าไม่ประมาณนี้เป็นชื่อของสติหรือว่ากุศ ล, ลจิตก็ได้นะครับ กุศลจิตกุศลธรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพาวิโตพระหูลีกะโตอันพิสุเจริญแล้วทาให้มากแล้วนะครับที่บอกว่าเจริญแล้วทาให้มากแล้วเนี่ยนะซึ่งความไม่ประมาทในบุญกิรยิยวัตถุหรือว่าความไม่ประมาทในกุศลเนี่ยนะก็จะยึดประโยชน์ทั้งโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าไว้ได้เนี่ยนะ ถามว่าไอ้คว่าพาวิโตพระหูลีกะโตเนี่ยนะเจริญแล้วทำให้มากแล้วเนี่ยเป็นยังไงถามว่าความไม่ประมาทเนี่ยพึงให้เจริญได้อย่างไรตอบว่าการเจริญอย่างเดียวกันไม่แยกกันหาเชื่อว่าเจริญความไม่ประมาทไหมการทำบุญทำกุศลทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งพึงทราบว่าเป็นการเจริญความไม่ประมาททั้งนั้น เอกุศลข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะครับขณะที่ทําทานกุศลอยู่ขณะนั้นก็ชื่อว่าไม่ประมาทปรารบศีลกุศลอยู่ก็ชื่อว่าไม่ประมาทตารบในสมถะวิปัสนาอยู่ชัขณะนั้นนั้นก็ชื่อว่าไม่ไม่ประมาทนะครับอย่างเช่นพระพิสูุเราเนี่ยนะสีลกุศลเนี่ยมีมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆถ้าปรารบศีลกุศลอยู่ขณะนั้นนั้นก็ชื่อว่าไม่ไม่ประมาทหรือว่าถ้ากําลังใจเนี่ยนะครับสูงกว่านั้นปรารบสมถะ พุทธานุสติธรรมานุสติเป็นต้นได้หรือว่าเจริญเกี่ยวกับพิจารณาขันธ์อจตนะได้ขณะนั้นนั้นก็ชื่อว่าไม่ไม่ประมาทนะครับมันขอให้ใจเป็นบุญนะครับขณะที่ปารพทําให้จิตเป็นไปกับกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งนี่นะครับขณะนั้นก็ชื่อว่าไม่ประมาทแต่โดยต่างกันนะครับถ้าพูดถ้าพูดแบบไม่ต่างก็คือกุศลทั้งหมดชื่อว่าไม่ประมาทละแต่ถ้าแบบแยกแยๆ ก, กันก็ได้แก่ การเจริญศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดที่ที่เป็นกุศลที่เป็นอุปนิสัยแห่งวิวัตะนะครับหรือแม้กระทั่งการถึงไตรสรณคมการสำรวมกายสำรวมวาจาสารวมใจเพราะเห็นนั้นอาการเจริญกุศลการเจริญธรรมะอันไม่มีโทษเพรงทราบว่าการเจริญความไม่ประมาทนะนครับนี่ครับ เอ่ครว่าคือเจริญกุศลนัน่นเอคงจะไม่จําเป็นต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะเสมอไปไมั้งครับก็ถ้าคนที่ศึกษาแบบนี้นะครับจะต้องมีสัมปชัญญะควบคุมนะครับอย่างเช่นการการทําบุญของชาวบ้านทั่วไปไหมครับแล้วก็เราก็มาดูตรงที่โสพณนะ เ, เจริญสิกมันจะมีสติเนี่ยประกอบร่วมด้วยเสมอไหมครับอันนั้นเมื่อเมื่อมีสติก็ชื่อว่าไม่สมาไม่ประมาณแล้วไหะครับ คือถ้าหากว่าเอาแบบลักษณะทั่วๆไปที่เห็นอยู่ไม่พอที่จะเป็นตัวอย่างได้นะครับถามว่าทำไมครับคือเข้าเจริญเป็นช่วงเป็นเทศกาลเจริญไปตามรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีซึ่งทําแบบลักษณะที่ว่าไม่ได้เห็นอ น, นิสงส์อะไรนะครับคือคือเอาเอาถ้าเอายุคนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะครับรครับใช่แต่ในที่นี้ลักษณะไม่ประมาทในกุศลทั้งหลายาผู้ที่ ที่เข้าใจอันนี้หมายคาอว่ารู้เลยนะว่ากุศลอันเนี้ยเจริญยังไงแล้วผลของการเจริญกุศลอันนี้มีผลยังไงนะครับตามตามสูตรนีนะคนที่เจริญเนียเข้าใจอันนี้ตลอดสายแต่เอาเอาตัวอย่างในยุคนี้มาปารับก็ไม่ไม่่อยไ ม, ไ ม, ไม่ชัดถามว่าทาไมเพราะคนที่เจริญก็ไม่ได้รู้เลยเช่นอย่างงานพระป่าบางงานนี้ก็เมาด้วยทอดด้วยนะครับอย่างเงี้ยศีลก็รักษาไม่ได้แต่ทานก็ให้จัง นะครับทำเมานิดๆเนี่ยนะเวลานี้เขาก็จะประกาศอา้าวคนนู้นมาห้าร้อยคนนี้ก็จะเกท่าปีกหกรอยอย่างเงี้ยนะมันก็เมาทั้งนั้นนะครับมันทําด้วยความเมาถ้าส่วนหนึ่งนะครับเที่กล่าวเนี่ยสมัยที่ผมเคยเป็นคาราวาส์นะนะทำพระบาทมันก็อยู่ด้วยการงง ส, ส่วนใหญ่มึนๆถ้า ส, ส่วนใหญ่นะครับมันก็ขนาดนั้นถามว่าประมาทไหมก็ประมาทนะครับสลับกันกะครูสุรจิตมันเกิดน้อยเต็มทีนะครับเมื่อเทียบไปแล้วศีลก็รักษาไม่ได้ ทานก็ไม่รู้ว่าให้ไปยังไงอะไรยังไงก็ไม่ได้ผู้รับก็ไม่รู้ว่าเราเคารพหรือไม่เคารพก็ไม่รู้สักอย่างนะครับเจตนาก็รักษาไม่ได้ก่อนทาก็วุ่นวายกำลังทาก็เดือดร้อนนะครับทำเสร็จแล้วก็ไม่สบายใจปัญหาตามมายุ่งเหยิงไปหมดนะครับเท่าทีพ่พบก็จะเป็นลักษณะนั้นสะส่วนใหญ่แต่ถ้าตามลักษณะของสูตรนี้นะครับเขารู้วิธีเจริญกุศลเป็นอย่างดี รู้วิธีของการเจริญฐานกุศลรู้วิธีการเจริญศีลกุศลรู้วิธีการเจริญภาวนากุศลแล้วรู้ด้วยว่าถ้ากุศลเหล่านี้เนี่ยนะสำเร็จประโยชน์ในโลกนี้อย่างไรสําเร็จประโยชน์ในโลกหน้าอย่างไรนะครับแม้กระทั่งประโยชน์อย่างยิ่งด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญกุศลตามสูตรนี้เป็นญาณสัมปยุทธ์นะครับเป็นการเจริญแบบสัมปยุทธ์เพราะปารับผลที่จะเกิดขึ้นได้รับนะรบหรือผลที่จะเกิดขึ้นเพราะการเจริญกุศลนั้นๆนะครับ นั้นการเจริญกุศลเนี่ยนะครับก็คือการประเจริญศีลกุศลแล้วก็ปรารภวิวัตตด้วยนะสมาธิภาวนาทั้งหลายแหละก็ปรารภวิวัตะหรือการเจริญปัญญาก็ปรารภวิวัตตคือพณิพกานหรือปรารภอริยมรักนั่นเองนะครับถ้าหากว่าทานศีลเหล่านั้นก็ตั้งแต่เริ่มต้น ต, ตัการถึงไตรสรณคมนะครับการสํารวมทางกายสํารวมทางวาจา หรือว่าการเจริญกุศลธรรมการให้ธรรมะที่ไม่มีโทษเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นศรัทธาหรือว่าวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือว่าปีติปสัสสธิทั้งหลายแหล่นี่นะครับปารลให้เกิดนะั้นอย่างทั้งหมดที่กล่าวมานี้ชื่อว่าเจริญความไม่ประมาทนะครับจริงอยู่บทว่าอัปปมาโทนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงประโยชน์ใหญ่คือทรงยึดถือประโยชน์มากดํารงอยู่ยนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าอัปปมาโทเนี่ยนะเป็นคําที่กว้างขวางว่างไม่ควรกล่าวว่าพระธรรมกรัคคุร์ถพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกแม้ทั้งสิ้นมากล่าวทำอัฏฐะแห่งบทคืออัปปมาทออกนอกทางไปนะครับคือคําว่าไม่ประมาทเนี่ยนะถ้าเอาพระไตรปิฎกมาขยายทั้งปีฎกสามเลยนะครับทีนี้ถ้าหาว่าแสดงขนาดนั้นอย่าไปคิดว่าแสดงนอกลู่นอกรอยนะ ถามว่าพา่อใหญ่รายต่อว่าเพราะความไม่ประมาทเนี่ยนะครับเป็นธรรมะข้อใหญ่เป็นความจริงดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใกล้จะปรินิพานทรงบรรทมณนะระหว่างต้นสาระทั้งคู่ใกล้เมืองกุสินาราทรงรวบรวมธรรมะที่พระองค์ทรงสแสดงมาในเวลา45พันศาตั้งแต่การตรัสรู้ลงด้วยบทเดียวนะครับธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะสรุปยโดยบทเดียว จึงได้ประทานโอวาทแก่พิสูุทั้งหลายว่าอ ป, ปมาเทนะสัมปาเททะเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะนะเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยสรุปจะเหลือบทเดียวก็ได้คือความไม่ไม่ประมาทเพราะว่าความไม่ประมาทเนี่ยนะครับเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรดโดยซ้าไปนะครับหรือบางแห่งพระองค์ก็ทรงกล่าวขยายความต่อไปว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดินเหล่าใดเหล่านึง รอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรวมลงในงรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างท่านกล่าวว่าเลิศกว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหมดเพราะเป็นรอยเท้าใหญ่ฉันใดดูกาพิสูจน์ทั้งหลายธรรมะเป็นกุศลเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งหมดนั้นอ่ะมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทเรากล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้นฉันนั้นด้วยประการนี้ นี่คือความสำคัญขอ ง, ของคำว่าไม่ประมาทนะครับมั น, นต้องลักษณะของไม่ประมาทก็คือทวนอีกครั้งได้แก่การไม่ปล่อยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เป็นไปกับทุกเจริตเมื่อรับอารมณ์ทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสและโทภทะทั้งหลายนะครับหรือว่าไม่ปล่อยจิตให้เพลิดเพลินด้วยจิตที่เป็นบาปก็สามารถบาเพ็ญจิตให้เป็นกุศลในทุกๆอารมณ์อย่าง ต่อเนื่องนะครับไม่ย่อท้อและก็มีใจรักในการบำเพ็ญกุศล น, น, นั้นด้วยนะครับอย่างนี้ชื่อว่าความไม่ประมาทอธิบายความในคาถานะในคาถาที่พระองค์ทรงตรัสว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมสารเสริญความไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลายบัณฑิตไม่ประมาทแล้วย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและสำปรายภพนักปราชญ์กล่าวว่า เป็นบัณฑิตเพราะการได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างนั้ น, นคนที่เป็นบัณฑิตก็ต้องแสวงหาประโยชน์ทั้งสองอย่างนี้ไว้ได้นะครับอธิบายว่าอัปมาทางประสังสันติความว่าบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปัญญามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมสารเสริญคือย่อมพันนาย่อมยกย่องความไม่ประมาทในการบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นนะครับ คือก็ต้องยกย่องสรรเสริญอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใครที่รู้ผลแห่งคารเน่นให้กับสัตว์เดรัจฉานก็ยังมีผลตั้งร้อยเท่านะครับเพราะฉะนั้นใครจะไม่สรรเสริญใช่ไหมครับถามว่าเพราะเหตุไรต่อว่าเพราะบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้ประโยชน์ทั้งโลกนี้ประโยชน์ทั้งสามป่าหยาพบถามว่าก็ประโยชน์ทั้งสองเหล่านั้นคืออะไรต่อว่าคือประโยชน์ในปัจจุบันหนึ่งประโยชน์ในอนาคตเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับ ประโยชน์ปัจจุบันถ้าเป็นของคราวญเช่นยังไงครับก็คือทิเททำเมจะโยอัทมมโธประโยชน์ในปัจจุบันได้แก่ประโยชน์ของครหัตคือการคือกรรมอันไม่มีโทษนะครับประโยชน์ที่ครหัตควรจะได้มีวิธีประกอบกสิกรรมและโคลรค ก, กรรมเป็นต้นดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วโดยในเมียที่ว่าอนาคูลาจะกรรมมันตาการงานไม่อากล เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทีทธถถมำที่จะพึงได้รับก็ให้ไปศึกษาในมงคลสาสบแปในหัวข้อว่าด้วยการงานอันไม่อากูลข้างค้างเนี่ยนะครับส่วนบนรรปะชิตเนี่ยนะครับพึงทราบว่าได้แก่ประโยชน์มีความไม่เดือดร้อนเป็นต้นนะ บ, นบันปะชิตยอประโยชน์ก็คือเมื่อประพฤติกุศลแธรรมทั้งหลายนะครับกุศลที่เป็นไปทางกายทางวาจาเนี่ยนะที่เรียกว่ากุศลศีลเนี่ยนะครับกุศลศีลที่ไม่มีโทษหรือกุศลศีลเนี่ยนะครับ ก็ย่อมนำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนเป็นต้นนะนะหมายคือว่าไอ้ไม่เดือดร้อนก็คืออวิปฏิสารนั่นเองอวิปติสารก็นำมาซึ่งปราโมทนะครับปราโมทก็นำมาซึ่งปีติปัสสิ สุขสมาธิหรือแม้กระทั่งยาถาภูตยานทัศน์นิพพิทาวิราคะวิมุตินะครับหรือแม้กระทั่งวิมุตติญานทัศนะนี่คือประโยชน์ที่จะพึงได้รับต่อไปนะสำหรับบรรพชิตผู้ไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลายนี่นะครับมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นก็จะพึงได้รับประโยชน์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เห็นเห็นอยู่นี่นะครับอืมก็น่าจะยกตัวอย่างอย่างผมเมื่อกี้เมื่อกี้ประมาท ไปเผเข้าอุติก็เลยโดนทีนวิทาครอบงําหลับเลยออกมาช้านี่ก็ออกมาแล้วก็เดือดร้อนใจไปเออเวลาครึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปเนี่ไม่ได้ฟังอดฟังเลยเนี่ยออย่างนี้ก็ถือว่าเสียประโยชน์เสียประโยชน์เราก็ทำให้เดือดร้อนเสียประโยชน์ในปัจจุบันครับนี่เดือดร้อนนะครับแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่บุญนะครับอะส่วนบทว่าโย จัดโธสัมปรา라ิโกนะครับบอกว่าประโยชน์ในสัมปย이พบพึงทราบว่าท่านกล่าวถึงการประพฤติธรรมของทั้งสองฝ่ายคือทั้งของครงหัขและบรญญัติตบทว่าอัธยาพิสมยยได้แก่เพราะได้ประโยชน์คือประโยชน์เกื้อกูลแม้ทั้งสองนะครับการได้นี่นะชื่อว่าสมยะเพราะร่วมกันเกี่ยวข้องกันประชุมกันด้วยสิ่งที่ควรได้สมยะนั่นแหลชื่อว่าพิสมัยหรือ สมยะชื่อว่าพี่สมยะเพราะความมีหน้าเข้าหากั น, นแม้กระทั่งการตรัสรู้ธรรมนี่ก็ชื่อว่าพิสมัยะเหมือนกันนะครับพิสมัยะนะบางแห่งก็หมายถึงการตรัสรู้ธรรมใช่ไหมครับแต่ในธรรมบทเจอบ่อยใช่ไหมธรรมมาพี่สมัยได้มีแล้วแกสัตว์8400มพันเนี่ยนะก็อภิสมัยยะเหมือนกันนะครับใช้ศัพท์เดียวกันแต่ตรงนั้นหมายถึงการแต่แปลว่าประชุมก็ได้นะครับเพราะว่าประชุมการแทงตลอดอริยสัตนั่นนะ เพราะว่าอริยสัตว์ไม่ได้แทงตลอดอริยสัตว์ใดอริยสัตว์หนึ่ง น, นะเพราะจะต้องมีการเกี่ยวข้องกันต้องประชุมกันเหมือนกันนะเช่นประชุมแทงตลอดทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์นิโรสัตว์แล้วก็มรรคสัตว์ในขณะเดียวกันนะครับพึงทราบแห่งบทดังนี้ว่าทีโรได้แก่ผู้ประกอบด้วยปัญญาทีโรนี่แปลว่าปัญญานะครับมีบีปัญญาห่างกันเถอะ อันหนึ่งในที่นี้พึงทราบการสงเคราะห์แม้พระนิพพานอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งด้วยอัฏฐสั์คืออัฏฐสั์นี่มีความหมายกว้างขวางมากนะครับอัถฐเนี่ยนะในสูตรนี้ท่านกล่าวถึงวัตตะสมบัติอย่างเดียวนะครับคือเพราะว่าผู้ที่ไม่ประมาทในกุศลเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ในโลกนี้และโลกหน้าส่วนในคาถาในคาถาพึ่งเห็นการสงเคราะห์วิวัตตะไว้ด้วยนะครับเหมือนกับ เขาก็ยกข้อความในคาถาธรรมบทมานะคะรับเรื่องสามาวดีวัตถุนะที่บอกว่าอปปมาโทมตังปะทังมปมาโทมะจุโนปะทังอัปมาตานมียันติเยปมาตายถามาตาเอตังวิเศสโตยตาวาอปปมาธรรมหิปันฑิตาอัปมาเทปรโมทันติอริยานังโคเจเรตตาที่แปลว่าความไม่ประมาตเป็นทางแห่งความไม่ตายความประมาท เป็นทางแห่งความตายข้อปฏิบัติคือความไม่ประมาทเนี่ยนะครับเป็นทางแห่งความไม่ตายแต่ถ้าประมาทก็แสดงว่าเดินไปสู่ความตายแล้วนะผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายคนประมาทเหมือนคนตายแล้วนะครับเพราะชีวิตมีแค่ลมหายใจเข้าเฉยๆบัณฑิตทั้งหลายรู้ความต่างกันในความไม่ประมาทนี้แล้วยินดีในธรรมะเป็นโครจรของพระอริยะทั้งหลายย่อมบันเทิงในความไม่ประมาท ถามว่าธรรมะที่เป็นโคจรของพระอริยะหรือพระอริยะโคจรไปนในอะไรครับครับโคจรไปในสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยนะคือที่โคจรของพระอริยะทั้งหลายเนี่ยนะนั้นก็ถ้ายินดีในสติปัฏฐานเป็นต้นก็แสดงว่ายินดีในโพธิปัจขิยธรรมเพราะฉะนั้นอ่าโพธิปัจขียธรรมก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่ออมะตะนะครับเพื่อไม่ตายแต่ส่วนผู้ที่ไม่ได้เจริญตามนี้ก็ชื่อว่าเดินไปสู่ความตายแล้วนะครับนะนะ คำว่าความตายตรงนี้มันหมายถึงตรงไหนหมายถึงอะไรตื้นลึกหนาบางแค่ไหนครับก็คือตายจากคุณงามความดีนะครับเมื่อตายจากคุณงามความดีก็ความสุขทั้งหลายที่จะพึงได้รับต่อไปต่อไปก็เชื่อว่าตายนี้จากความสุขทั้งหลายเหล่านั้นแล้วนะครับเช่นถ้าหากว่าอยู่อยู่อย่างนี้แล้วทําชั่วด้วยกายด้วยวาจาถ้ากรรมเหล่านี้นําเกิดก็ชื่อว่าตายจากสวรรค์นะครับเว่าความสุขทั้งหลายที่จะพึงได้รับในสุคติก็ไม่ได้รับ <S <S ใช่ไหมครับ นนะก็ชื่อว่าคนตายแล้วดีๆนี่เองนะครับมีประโยชน์อะไรก็มีแค่ลมหายใจเข้าออกนั้นเองชาวนะทั้งหลายหรือสภาพจิตทั้งหลายก็ไปกับบาปไปกับอกุศลตลอดเวลาอันในหัวข้อบอกว่าในกคาถาเพิ่งเห็นการสังเคราะห์วิวัตาด้วยหมายถึงท่านให้ดูตรงนี้เลย อ, อามตะตังประทังตรงนี้หลฮะความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายเียครับผมคือคือ ความไม่ประมาทเนี่ยนะในพระสูตรนี้กล่าวถึงคุณของคําว่าไม่ประมาทนะครับคําว่าไม่ประมาทเนี่ยนะคือลักษณะอย่างไรนะครับลักษณะก็คือว่าผู้ที่ยินดีในโคจรของพระอริยะเนี่ยนะครับผู้นี้เราชื่อว่าบรรเทิงในความไม่ประมาทเพราะว่าถ้าประมาทก็เหมือนกับตายแล้วนี่เองนะก็ขยายคําว่าไม่ประมาทแล้วก็คําว่าไม่ประมาทนี่อย่างหนึ่งคือหมายถาว่ายินดีในธรรมะ อันเป็นโคโจรของภาระคือสติประฐานเป็นต้นก็ชื่อว่าไม่ประมาทอย่างหนึง่งครับซึ่งเป็นเหตุให้ได้ประโยชน์เนี่ยนะที่ไม่ไม่เสียประโยชน์นครับและก็คําว่าไม่ประมาทอีกความหมายหนึ่งก็คือความเพียรที่ต่อเนื่องนะครับคาถาต่อไปบอกว่าเตชายิโนสาตติกานิจจังตาหะปรกมาผูุ้สันติธีรานิพานังโยคเขมังอนุตรังนะครับ อันก็นสรรเสริญความเพียรว่านักปราชทั้งหลายเหล่านั้นผู้มีความเพ่งคือมีฌานเนี่ยนะมีความพยายามติดต่อมีความเพียรมั่นเป็นนิดย่อมถูกต้องพระนิพพานอันกเกษมจากโยคะไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่าดังนี้อันคําว่าไม่ประมาทได้แก่ยินดีในธรรมะของพระอริยะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่มีความเพียรพยายามติดต่อกันแต่ถามว่าเพียรทําอะไรครับเพียร เพ่งนะครับเพียนเพียนเจริญฌานชายิโนเ น, นี่ยนะครับลักขณูปณิสชานกับอารัมมณูปณิสชานลักษณะนี้นะครับเรียกว่าคนมีความเพียรเพียรให้จิตเป็นไปกับฌานทั้งสองอย่างเหล่านี้มากแต่ว่าฌานคือลักขณูปณิสชาญกับอารัมมณูปณิสชาญเนี่ยนะครับหรือพูดภาษาเราง่ายๆว่าสมถะและวิปัสสนาก็ต้องมีศีลนี่แหละเป็นบาสนะครับ ผู้ที่จะเจริญเหล่านี้ได้ก็ต้องมีความเพียร น, นะครับแล้วก็มีศีลเพราะว่าศีลบางอย่างก็ต้องมีความเพียร น, นะครับเช่นอาชีวปาริสุทธิศีลต้องมีความเพียร น, นะครับถ้าไม่มีความเพียรเนี่ยก็ไม่สามารถรักษาศีลเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในบทว่าอัฏฐาพิสมัยานี้พึงสงเคราะห์เอาแม้ประโยชน์อันเป็นโลกุตระไว้ด้วยนะครับนะเพราะว่าผู้ที่ไม่ประมาทในกุศลก็จะยึดประโยชน์ ทั้งโลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและก็ประโยชน์อันเป็นโลกุตระไว้ได้นะครับด้วยการไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลายนั่นเองนะครับ